จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้มาวัดการมาวัดในวันที่เราหยุดทำงานก็เป็นเหมือนกับเป็นวันพระของเราสมัยโบราณเราหยุดงานในวันโกนในวันพระเพื่อที่เราจะได้เข้าวัดทำบุญสร้างกุศลแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบัน เราไม่ได้หยุดทำงานในวันโกวันพระคือวันขึ้นแรงแปดค่าหรือสิบห้าคำแต่เราหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์เราเลยจำเป็นที่ต้องมาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์แทนวันขึ้นแรงแปดค่าหรือ15ห้าคำ เพราะไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราดังนั้นสำหรับพวกเราที่มีวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์เราจึงควรถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันโกนเป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราควรจะมาทำหน้าที่ของเราอย่างแท้จริงทุกวันนี้ที่เราไปทำงานนี้ เราไม่ได้ทำหน้าที่ให้กับตัวเราเรากลับไปทำหน้าที่ให้กับผู้อื่นเช่นเราไปทำหน้าที่ดูแลร่างกายซึ่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เราถูกความหลงหล่อให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราจึงต้องดูแลร่างกายของเราอย่างดี อย่างเต็มที่แทนที่จะมาดูตัวเราอย่างดีอย่างเต็มที่เรากลับไม่ได้ดูเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เราจะไม่รู้ความจริงว่าตัวเราอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่ใจแต่ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่รู้ความจริงอันนี้พอท่านได้พบกับความจริงได้ตัสรู้ความจริงอันนี้รู้ว่าตัวของพระ อ, องค์นั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจและต้องดูแลรักษาใจเพียงอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายนี้ดูแลอย่างไรก็ไม่สามารถ ที่จะรักษาให้อยู่ไปตลอดได้ส่วนใจนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ไปตลอดเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนแต่ถ้าได้รับการดูแลก็จะอยู่แบบมหาเศรษฐีนี่แหละคือการมาวัดในวันเสาร์อาทิตย์ หรือหวานพระนี้ก็เพื่อมาทำใจของเราให้เป็นมหาเศรษฐีใจของเราจะเป็นมหาเศรษฐีได้ก็ต้องมีบุญมีกุศลบุญกุศลนี่แหละที่จะทาให้จิตใจของเราเป็นมหาเศรษฐีมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากได้อะไรต่างๆ นี่แหละคือลักษณะของมหาเศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีนี่ต้องแสดงว่าพอแล้วมีเหลือกินเหลือใช้แล้วถ้ายังหิวยังอยากได้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะยังไม่พอยังต้องการเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นตามใดถ้าเราไม่มาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับใจของเรา เราจะไม่พบคำว่าพอไม่รบคำว่าอิ่มไม่พบคำว่าสุดจะอยู่กับความหิวความอยากไปเรื่อยๆเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังหิวอยู่ยังอยากอยู่มีร้อยล้านก็ไม่พอมีพันล้านก็ไม่พอมีหมื่นล้านก็ไม่พอทั้งๆที่ไม่สามารถเอาไปใช้ ให้เป็นประโยชน์กับตนได้เลยกินก็กินเท่านั้นอยู่ก็อยู่เท่านั้นแต่ทำไมต้องมีอะไรมากมายกายกองแล้วมีมากๆแล้วมันทำให้เกิดความอิ่มความพอหรือไม่เกิดความสุขความสบายใจหรือไม่หรือกับมีความวุ่นวายใจกับการที่จะต้องคอยจัดการ กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆวุ่นวายกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาเพิ่มให้มากขึ้นนละวุ่นวายเดือดร้อนเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนี่แหละเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเรา เราไม่รู้จักวิธีที่จะทำตัวเราให้เป็นมหาเศรษฐีเรามัวไปทำให้ร่างกายเป็นมหาเศรษฐีแต่ร่างกายนี้มันไม่ต้องการเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านให้มามันก็เท่าเดิมร่างกายมันเพียงต้องการอาหารกินไปวันละมือ้อสองมื้อมีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุด มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนมียารักษาโรคไว้รักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนัางกายมันต้องการเพียงเท่านั้นให้มันร้อยเท่ามันก็เท่าเดิมเหมือนกับเติมน้ำที่มันเต็มตุ่มแล้วต่อให้เติมเข้าไปอีกลอยถังร้อยเท่ามันก็ได้น้ำเท่าเดิมน้ำเท่าที่มีอยู่ในตุน่ม เท่าที่ตุ่มจะรับได้ความสุขทางร่างกายก็เป็นอย่างนั้นความสุขทางร่างกายจะไม่มากขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ต่อให้เรากินอาหารราคามือละหมื่นมือละแสนมันก็อิ่มเหมือนกันคนขอทานกินอาหารข้างถนนพออิ่มมันก็อิ่มเหมือนกันความสุขทางร่างกายมันเท่ากัน มันไม่ได้อยู่ที่ว่ากินแพงหรือกินถูกมันอยู่ที่ว่ากินอิ่มหรือไม่อิ่มกินอาหารเมื่อละห้าสิบบาทก็อิ่มได้กินอาหารเมื่อละห้าพันาา 5, ก็อิ่มเหมือนกันไม่ได้มีความวิเศษวิโสที่แตกต่างอะไรกันไปต่างกันตรงที่ต้องควักกระเป๋าเสียเงินมากโดยใช่เหตุการใช้เงินแบบนี้แหละที่ทาให้เราต้อง ดินรนหาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายกันแล้วก็มาซื้อความสุขให้กับร่างกายซื้อเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแล้วมันก็ไม่พอเพราะร่างกายนี้ถ้าเป็นตุ่มน้ำก็เป็นเหมือนตุ่มที่มันรั่วเติมเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องเติมใหม่กินอิ่มขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องกินใหม่ไปเที่ยว มีความสุขขนาดไหนพอกลับมาความสุขนั้นก็หายไปหมดต้องกลับไปเที่ยวใหม่ซื้อของมามากน้อยเพียงไรได้ความสุขจากการซื้อของมามากน้อยเพียงไรความสุขนั้นก็หมดไปต้องไปหาซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆพอซื้ออยู่เรื่อยๆก็ต้องหาเหงนินหาทองอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องเหนื่อยยากวุ่นวายกับการหาเงินหาทองนี่แหละเป็นการดูแลผิดที่เป็นการดูแลเหมือนกับการเติมน้ำในตุงมที่รั่วเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันที่จะเต็มได้ถ้ามันเต็มมันก็เต็มเดี๋ยวเดียวเดียวมันก็รั่วอีกแล้วเดี๋ยวมันก็น้ำก็หมดไป นี่คือสิ่งที่เราทํากันหกวันต่ออาทิตย์หาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขให้กับร่างกายไปกินอาหารไปดื่มไรรับประทานไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆต่อให้ไปมากี่หมื่นรอบกี่แสนรอบพอกลับมามันก็เหมือนเดิม เหมือนกับตุ่น้าต่อให้เติมแม่มันเต็มกี่แสนครั้งทิ้งไว้สักเดียวเดียวมันก็แห้งหมดไปนี่คือความสุขที่พวกเรากำลังวุ่นกันอยู่กำลังหากันอยู่กำลังเติมกันอยู่แล้วเป็นยังไงได้ความสุขได้เพียงนานสักเท่าไหร่แล้วความทุกข์ที่จะต้องเดินหาเงินหาทองหาความสุขเหล่านี้ มันดีที่ไหนมันสบายที่ไหนอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าอยู่เฉยๆแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาหาเราได้หรือเปล่าให้ความสุขต่างๆมันมาหาเราเองได้หรือเปล่าไม่มีวันที่จะหาได้เราต้องวิ่งตะครุบเงาอยู่เรื่อยๆวิ่งหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่มันก็หมดไปเหมือนวิ่งตะครุบเงาเงามันทอดไปข้างหน้าเราก็วิ่งไปหาเงา พอเราไปถึงตรงที่เงามันอยู่มันก็เลื่อนไปข้างหน้าอีกแล้วเขาถึงได้ว่าตะคุบเงาไม่มีวันที่จะจับเงาของตัวเราเองได้อย่างใดถ้าเรายังหาความสุขทางร่างกายอยู่เราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราเราก็จะต้องพบกับวันที่เราจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เวลาที่เราแก่ลงไป เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายเวลานั้นเราจะทำอย่างไรก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวทรมานใจถ้าทนไม่ไหวก็กระโดดตึกตายกันก็มีคนที่เคยร่ำเคยรวยมีเงินมีทองมีความสุขทางร่างกายพอสิ้นเนื้อปดาตัวก็ทนอยู่ไม่ได้ ไม่กล้าออกไปพบกับคนอับอายขายหน้าเหมือนกับไปฆ่าคนมาอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ความยากจนนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายกับใครเลยเป็นเรื่องธรรมดามีรวยได้ก็จนได้มีจนได้ก็รวยได้แต่ใจนี้มันไม่ยอมรับความจนมันไม่กล้าออกไปพบหน้ากับคนอื่นกลัวเขาจะดูถูกเหยียดหยาม ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีหาเงินก็ไม่มีปัญญาที่จะหามาก็เลยกระโดดตึบตายเสียนี่แหละคือจุดหมายปลายทางของพวกเราที่ยังกำลังหลงอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายทำไมเราไม่เรียนรู้จากความผิดความบกพร่องของผู้อื่น เวลาเราอ่านข่าวว่าคนฆ่าตัวตายกันนี้รับรองได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นก็คือไม่สามารถหาความสุขแบบที่เคยหาได้บางคนฆ่าก็เพราะสามีหรือภรรยาทิ้งตนไปทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวเองหรือไม่เช่นนั้นก็ไปฆ่าสามีฆ่าภรรยาฆ่าแฟนใหม่แล้วก็ฆ่าตัวเองตามไป นี่แหละเป็นเรื่องของมนุษย์เราเพราะว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้วิธีหาความสุขที่ถาวรไม่รู้วิธีหาความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตะคุบเงาหานั่งอยู่เฉยๆความสุขมันก็มาหาเราเองได้นี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้หากันท่านได้พบกันถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระอาหารหันตสาวกไม่ได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะวิ่งตะคุบเงากันต่อไปพ อ, อร่างกายอันนี้มันตายไปก็ไปวิ่งตะคุบเอาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาวิ่งทําแบบนี้ใหม่ พวกเราทำกันอย่างนี้มานับไม่ท้วนชาติแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจำนวนภพชาติของพวกเราที่เรามาเกิดแล้วมาทุกมาสุขกับร่างกายนีย้มันมากจนกระทั่งนับไม่ได้ท่านเปรียบว่าอยากจะรู้ว่าภพชาติที่เราเกิดแล้วตายเนี่ยมีจำนวนมากเท่าไหร่ ก็ให้เอาน้ำตาที่เราร้องไหแ้แต่ละภพแต่ละชาตินีมารวบรวมกันไว้ทัานว่าน้ำตาที่เราหลั่งนี่ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเช่หรือคิดดูกันแล้วกันว่าต้องร้องไห้กี่กี่ล้านกี่ล้านล้านครั้งต้องเกิดมากี่ล้านล้านชาติ กว่าจะได้น้ำตาที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่ไม่เคยหาไม่เคยเจอความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเจอแต่ความสุขแบบควันบุหรี่เห็นควันบุหรี่เห็นควันไฟไหเวลามันโถขึ้นมาเดี๋ยวเดียวมันก็ลอยหายจางหายไปหมด นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังหากันหาความสุขกันนี่แหละคือความสุขที่เราได้และความทุกข์ที่เราได้เวลาที่เราสูญเสียหรือไม่สามารถหาความสุขได้หรือเวลาที่ร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนี้ไม่สามารถทำหน้าที่รับคำสั่งจากเราได้ เวลาเขาแก่เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาควรที่จะพิจารณาและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ปัญหานี้แก้ได้ถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมาบอกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะ พึ่งอาศัยเพราะไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้สิ่งที่เราพึ่งอาศัยให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงก็คือใจของเรานี้เองใจของเราคืออะไรก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เองผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรคิดอะไรไม่ได้เวลาไม่มีใจไม่มีผู้รู้ผู้คิด ร่างกายก็จะนอนแข็งทื่อทำอะไรไม่ได้เวลาที่ไม่มีจิตใจอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็หมดไม่สามารถทำอะไรได้มีแต่จะต้องถูกจับเข้าไปใส่โรงใส่เตาเผาแล้วก็กําจัดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเน่าเน้นจะส่งกลิ่นเหม็น จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่คือร่างกายที่พวกเราหวงแหนที่พวกเราพยายามปกป้องรักษาแบบแทบเป็นแทบตายแล้วผลเป็นยังไงมันก็ตายอยู่ดีแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราก็เครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจ มีแต่ความทรมานใจเพราะเราไม่เคยมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาจิตใจของเราเลยพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้หยุดการทำงานทำการเพื่อเราจะได้มาดูแลใจของเรามารักษาใจของเรามาทำใจของเราให้เป็นมหาเศรษฐี ด้วยความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปคาสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี่แหละเป็นวิธีที่จะดูแลรักษาใจเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจของเราและเป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปอย่างที่พระพุทธเจ้า และพออระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันในขณะนี้ร่างกายของพระพุทธเจ้าจะไม่มีแต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่และก็ยังมีความสุขอย่างเต็มที่ไม่มีวันหมดไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่หิวอยู่ตลอดเวลาอยากอยู่ตลอดเวลา ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังหิวยังอยากอยู่เพราะว่าไม่ได้ให้ใจนั้นเห็สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ใจกลับเป็นไม่ได้เป็นผู้รับผู้รับก็คือร่างกายเช่นอยากได้อาหารร่างกายก็เป็นผู้รับอยากจะไปเที่ยวก็ร่างกายเป็นผู้ไปเที่ยวใจเป็นเพียงแต่เป็นผู้รับรู้เท่านั้นว่า ได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปดื่มได้รับรับประทานอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวใจเองนี้ไม่ได้รับประทานอะไรเลยเหมือนกับเรานั่งดูคนอื่นเขากินข้าวเห็นเขากินข้าว อ, อาหาร อ, ร, อร่อยแต่เรานี่น้ำลายไหลหิวแทบเป็นแทบตายเพราะเราไม่ได้กินข้าวกับเขาใจไม่ได้กินอาหารกับร่างกาย ว่าอาหารของร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารของใจเราต้องมากินอาหารของใจสิใจของเราถึงจะอิ่มอาหารของใจคืออะไรก็คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาทำกันนี่เองอย่างวันนี้เรากำลังมารับประทานอาหารของใจกันการทำบุญทำทานนี้ก็เป็นการรับรับประทานอาหารของใจ การรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลหศีลแปหรื อ, 7, รอาารรศีล227รอีก็เป็นการให้อาหารกับใจการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการให้อาหารกับใจการปฏิบัติธรรนั่งสมาธิจเจริญปัญญาก็เป็นการให้อาหารกับใจอาหารของใจคืออะไรก็คือความสุขใจนี่เอง ความอิ่มใจความพอใจอย่างตอนนี้เรามาทำทานแล้วใจของเราเป็นยังไงสุขใจอิ่มใจหรือหิวหรืออยากนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างการให้อาหารกับใจกับให้อาหารกับร่างกายให้ความสุขกับร่างกายกับการให้ความสุขกับใจนี้ต่างกัน ให้ความสุขกับใจแล้วมันจะอิ่มมันจะสุขไปนานวันวันหลังเราคิดถึงความสุขที่เราความดีที่เราได้มาทํากันในวันนี้เราก็ยังเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงอาหารที่เราได้รับประทานให้กับร่างกายคิดไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดความอิ่มขึ้นมาแทนที่จะอิ่มมันกลับเกิดความหิวอยากจะกินขึ้นมาอยู่ นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความอิ่มใจกับความอิ่มกายมันไม่เหมือนกันอิ่มใจนี้ติดอยู่กับใจไปได้นานและถ้าทาไปบ่อยๆทาไปมากๆทาจนถึงขั้นสูงสุดได้ความอิ่มใจนี้จะอยู่ไปกับใจไปตลอดจะไม่หิวไม่โหยจะอยู่แบบมหาเศรษฐีไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะมีเต็ม มีเต็มที่แล้วมีเต็มร้อยแล้วมีมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาทำกันมาให้ความสุขกับใจกันมาสร้างความสุขกับใจกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจอย่างสมมติวันนี้เรามีเงินเราแทนที่จะไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้มาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเช่นเห็นคนที่เขาอดอยากขาดแคลนเราเอาเงินนี้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมาให้เขาพอเขาได้รับแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจ พอเห็นเขามีความสุขเห็นเขามีรอยยิ้มออกมาเราเห็นใครเดือดร้อนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอเราพาเขาไปโรงพยาบาลพาเขาไปรักษาให้เขาหายจากโรคอย่างนี้เวลาเราทำแล้วเราจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจนี่คือการทำทานไม่จำเป็นจะต้องทำกับ พระทำกับวัดเพียงอย่างเดียวทำกับโรงเรียนทำกับคนพิการทำกับคนยากจนทำกับนกทำกับปลาความรู้สึกนี้ที่ได้ก็จะเหมือนกันความอิ่มใจความสุขใจนี้ได้เหมือนกันไม่ต่างกันเป็นบุญเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ของแถมที่เราจะได้รับจาก ผู้ที่เราไปทําทานด้วยถ้าเรามาทําทานกับพระมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้ของแถมกลับไปของแถมคืออะไรก็คือพรอธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างท่านทั้งหลายในตอนนี้ก็ได้ของแถมได้ยินได้ฟังธรรมแต่ถ้าไปปล่อยนกปล่อยปลาที่หน้าวัดก็จะไม่ได้ของแถม เพราะปลามันไม่มีอะไรที่จะให้กับเรานั่นเองดังนั้นถ้าเราทําบุญแล้วเราอยากจะได้ของแถมเราก็ต้องเลือกคนทําเลือกที่ทําแต่ถ้าเราไม่ต้องการของแถมเราต้องการเพียงความอิ่มใจความสบายใจเราทํากับใครก็ได้นี่ถือมาจึงมาเป็นที่ให้เราสงสัยกันว่า ทำบุญนี้ต้องเลือกคนทำหรือไม่ถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องเลือกถ้าเราไม่ต้องการของแถมก็ไม่ต้องเลือกเหมือนกับเราเติมน้ํามันถ้าเราต้องการเพียงแต่เติมน้ํามันเราไม่ต้องการของแถมไม่ต้องการชิงโชคชิงรางวัลที่ตามสถานีบริการเขาจะมีแถมให้กับเราเราเติมสถานีบริการใดก็ได้น้ามันเหมือนกัน แต่ถ้านอกจากน้ำมันแล้วเราอยากจะได้มีโอกาสชิงโชคเช่นสถานีบริการบางแห่งเติมน้ำมันแล้วก็ให้ตัว๋วให้บัตรให้เราไปชิงโชคอย่างนี้ถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องไปหาสถานีบริการที่มีของแถมของแจกชั้นใดเวลาเราทำบุญเวลาที่เราไม่เลือกบุคคลก็แสดงว่าเราไม่ต้องการของแถม เราต้องการความสบายใจทำกับวัดไหนก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับขอทานก็ได้ทำกับเดลฉานก็ได้เพราะเราได้ความอิ่มใจได้ความสุขใจที่ได้เกิดจากความเมตตากรุณาของเราแต่ถ้าเราอยากจะได้ของแถมเราก็ต้องเลือกคนคนที่เราไปทำด้วยเพราะคนที่เราทำด้วยนี่ ก็มีของแถมที่ต่างกันไปพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าถ้าทําบุญกับพระภิกษุธรรมดาก็ได้ของแถมหนึ่งชิ้นถ้าทํากับพระภิกษุที่มีสมาธิก็ได้ของแถมสิบชิ้นถ้าได้ทําบุญกับพระภิกษุที่เป็นพระโสดาบันก็ได้ของแถมร้อยชิ้นทํากับพระสกิทาคามีก็ได้พันชิ้น ทำกับพระ อ, อนาคามีก็ได้หมื่นชิ้นทำกับพระอรหันต์ก็ได้แสนชิน้นทำกับพระปเจ ก, กับพระพุทธเจ้าก็ได้ล้านชิน้นทำกับพระอรหันตตะสัมมาสามพุทธเจ้าก็ได้แสนล้านชิน้นนี่คือของแจกที่พระแต่ละรูปท่านจะมีแจกให้กับผู้ที่ไปทาบุญกับท่านเราจึงมากจะนิยม หาพระที่มีของแถมเยอะๆมีธรรมะเยอะๆกันพระที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่อยากจะไปทาเพราะว่าเราต้องการของแถมเราต้องการธรรมะแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะทำกับพระรูปใดก็เหมือนกันเช่นเราไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าใส่บาเส ร, ร็จแล้วก็กลับบ้านเลยเราไม่ได้นั่งรอฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ก็เหมือนกับทกับ ใครก็เหมือนกันเพราะว่าไม่มีของแถมติดตัวกลับไปบ้านถ้าเราไปทาบุญกับพระที่มีของแถมเราก็ต้องรอให้ท่านแจกของแถมก่อนค่อยกลับไม่ใช่พอใส่บาตรเสร็จปั๊บ ก, ก็กลับบ้านเลยอย่างนี้ก็จะไม่ได้ของแถมถึงแม้ว่าจะได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้า mm. ก็เหมือนกับทาบุญกับพระธรรมดาเพราะว่าได้ความสุขใจ ได้ความอิ่มใจเหมือนกันแต่ไม่ได้ของแถมไม่ได้ธรรมะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมคนที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วพอฟังธรรมบางทีเพียงสองสามประโยชน์ก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้เลยก็มีนี่แหละคือของแถมที่วิเศษที่ไม่มีใครจะมอบให้กับเราได้นอกจากพระที่มีมีมรรคผลนิพพานอยู่ในใจเท่านั้น ถึงจะให้กับเราได้จึงขอทำความเข้าใจให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการทำบุญนี้จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรถ้าเราเพียงต้องการความอิ่มใจความสุขใจความสบายใจเราไม่ต้องเลือกทำกับใครก็ได้ทำกับผ้าอรหันในบ้านเราก็ได้ ทำกับพ่อกับแม่เราก็ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เราให้ดีเราก็ได้บุญได้ความอิ่มใจสุดใจเหมือนกับเราไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่นอกบ้านแล้วมีคนถามพระเจ้าว่าถ้าเวลาไม่มีพระ อ, อรหันต์เราอยากจะทำบุญกับพระ อ, อรหันต์ให้ทำอย่างไรพระเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญกับพ่อกับแม่ พ่อแม่ของเรานี่แหละเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆทำแล้วก็จะได้ความสุขมากความอิ่มใจมากเพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถมีของแถมให้กับเราเท่านั้นเองถ้าเราอยากของต้องการของแถมเราก็ต้องไปหาพระอาหารหันต์หาพระพุทธเจ้าถ้าหาไม่ได้ก็หาตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระอาหารหันต์ก็คือพระธรรมคาสอนนี่เอง ไปฟังเทศฟังธรรมไปอา่านหนังสือธรรมะก็จะถือว่าได้รับของแถมจากพระพุทธเจ้าโดยจรงจึงขอให้ท่านจงทาความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่สับสนบางคนบอกว่าต้องเลือกพระเลือกคนบางคนบอกว่าไม่ต้องเลือกพระเลือกคนก็ถูกด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่มีเหตุมีผลที่เราไม่รู้กัน พอเรารู้เหตุรู้ผลแล้วทีนี้เราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องเวลาใดที่เราต้องการสบายใจเราอยู่ใกล้ใครที่ไหนก็ทำได้เลยไม่ต้องขับรถไปสองสามอกิโลเพื่อจะไปทำบุญเพื่อให้เกิดความสบายใจทำกับคนข้างบ้านก็ได้ทำกับขอทานนอกบ้านก็ได้เราก็จะได้รับความสบายใจเหมือนกัน แต่ถ้าเราต้องการของแถมนี้เราอาจจะต้องขับรถไกลหน่อยถ้าของแถมใกล้บ้านเราไม่มียิงขอให้ท่านจงทําความเข้าใจเรื่องของการให้อาหารกับใจด้วยการทําทานอันนี้ก็เป็นขั้นต้นขั้นต่อไปก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพราะว่าอาหารที่เราได้รับนี้ มันมีน้ำหนักไม่เท่ากันทานนี้เป็นเหมือนอาหารให้กับเด็กทารกเช่นนมของเหลวถ้าอยากจะกินอาหารหนักก็ต้องรักษาสิลงต้องปฏิบัติธรรมถึงจะได้อาหารที่ทำให้อิ่มท้องอย่างเต็มที่ได้เราต้องไต่จากง่ายไปหายากเหมือนกับเด็กทารกเริ่มต้นก็ต้องดื่มนมไปก่อนพอร่างกายโตขึ้นก็เริ่มหัดกินของแข็ง แล้วก็กินของหนักต่อไปตามลำดับอย่างใดเราเริ่มต้นที่การทำทานแล้วเราก็ควรจะขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลขยับไปสู่การนั่งสมาธิขยับขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าปัญญาถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าต่อไปใจของเรานี่ จะไม่หิวไม่โหยไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์กับอะไรจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้อยู่กันได้เป็นกันจนถึงบัดนี้ก็ขอให้ท่านจงพยายามใช้วันหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์นี้ให้เป็นวันพระให้เป็นวันที่ท่านมาดูแลรักษาจิตใจ ที่เป็นตัวที่แท้จริงของท่านเพื่อท่านจะได้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคล้าคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย